หรือพระองค์เนี่ยได้ฟังเสียงสรรเสริญที่เขาชมทั้งต่อหน้าและรับหลังเป็นต้นพระองค์ก็ไม่ฟูขึ้นหรือแม้พระองค์ลมเย็นสบายได้รับอากาศที่ดีๆอุตุสปายาบเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็ไม่ไม่ได้ฟูขึ้นอะไรนในนฝ่ายดีนะท่านพระองค์ไม่มีตันหาในในโลกธรรมฝ่ายดีเลยไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญและความสุขในขณะเดียวกันเนี่ยความเสื่อมลาบความเสื่อมยศ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 เห็นอาหารเห็นอารมณ์เห็นปัจจัยเห็นสมุทัยอย่านี้ปัณณูเหตุนิทานปัจจัยสมุทัยเนี่ยพระองค์เห็นหมดถามว่ามูลน่ะคืออะไรก็คืออกุศลมูล3ามอ่านีพระองค์รู้ทั้งที่เป็นทั้งที่เป็นกุศลมูลและอกุศลมูลอกุศลมูลก็คือโลพาอกุศลมูลโทสะอกุศลมูลโมหะอกุศลมูล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 ยง่ายว่ากําลังเล่นกีฬาด้วยความเพลิดเพลินเป็นต้นเนี่ยนะจิตเจตสิกจิตตะรูบที่วิ่งหัวเราะร่าเริงทั้งหมดเนี่ยมีโลภเป็นมูลหมดเลยนี่ยนะโลภกับโมหะเนี่ยเป็นมูลถ้าในขณะที่เครียดไม่สบายใจหงุดหงิดเศร้าใจซึมใจเนี่ยนะพวกนั้นขณะนั้นทั้งหมดพฤติกรรมคําพูดทุกอย่างเกิดจากโทสะเป็นมูลโมหะก็สัมพยุด้วยหมดนั่นแหละทีนี้อากุศลมูลเหล่านี้มันเป็นเหตุแห่งกรรม เป็นเหตุแห่งกายกรรมเป็นเหตุแห่งวจีกรรมมนโนกรรมเพราะว่าขณะใดาที่โลภะเกิดขึ้นโทสะเกิดขึ้นโมหะเกิดขึ้นนึกคิดในใจเฉยๆเนี่ยนะก็เป็นมนโนกรรมแปล่งมาทางวาจาก็เป็นวจีกรรมพฤติกรรมวิญยัตขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวทางกายก็เป็นกายกรรมเนี่ยนะถ้ามีกําลังแรงกว่า น, นั้นก็ถึงกับล่วงอกุศลกรรมบทถ้าล่วงอกุศลกรรมบดนั่นหมายถึงว่าประตูอบายเปิดขึ้นแล้วตรงนั้น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 มันเวลาเห็นเทวดาเห็นมนุษย์เป็นต้นเนี่ยให้รู้เถอว่าไม่ได้เป็นผลของโลภะโทสะและโมหะเลยที่ที่ทําให้เกิดในสุคติแบบนี้ดูความพิสูจนทั้งหลายโดยที่แท้นรกกําเนิดสัตว์เดรัจฉานปิติวิสัยหรือทุกขติอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่นย่อมปรากฏเพราะกรรมเกิดจากโลภะเพราะกรรมเกิดจากโทสะเพราะกรรมเกิดจากโมหะมันน่าจักจันจิจ้งเรดเรไรที่มันร้องระงมไพรยอยู่นี่ก็เป็นผลของอะไร ก็โลภะโทสะโมหนะนั่นแหละถ้าไม่มีโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรอากุศลมูล3มประการคือโลภะโทสะโมหะนี้เพื่อความเกิดแห่งอัตภาพในนรกอันร่างกายของสัตว์นรกก็เกิดจากโลภะโทสะโมหะนะหรือการเกิดในกำเนิดเดรัจฉานหรือเกิดในปิติวิสัยเพรา ะ, ะนั้นพระองค์เนี่ย เชื่อว่าเป็นผู้ทรงเห็นมูลก็คือเห็นมูลอย่างนี้แปลว่าถ้าเห็นเดรชานเนี่อรู้วยมูลของการเกิดเป็นเดรชาเปรตอสุรกายหรือสัตว์นรกเนี่ยมาจากไหนมูลของการปฏิสนธิณะที่นั้นก็คือโลภะโทสะและโมหะนะวันอันนี้เอาไปเจริญได้เลยเห็นหมูหมากาไกา่เห็นปลวกจักจันทริง่งรีตรายมดมแมลงคาบไข่ทั้งหลายเนี่ยก็ให้รู้ว่านั่นแหละเป็นผลของโลภะโทสะและโมหะอัตภาพเหล่านี้เกิดจาก โลภะโทสะและโมหะพวกนี้เห็นมูลแบบนั้นของเราก็พยายามตรึกถึงมูลพี่าจรณาถึงมูลตามที่พระองค์แสดงเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆส่วนกุศลมูลมีสามประการคืออโลภะกุศลมูลอโทสะกุศลมูลอโมหะกุศลมูลเ น, นี่ยนะกุศลอะโลภะอะโทสะเนี่ยเป็นมูลทั้งที่เป็นกายสุจริตวจีสุจริตและ มโนสุดจริตสมจริงตามพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่ากุศลมูล3ประการนี้เนี่ยนะก็คืออโลภะกุศลมูลหนึ่งอโทสะกุศลมูลหนึ่งอะโมหะกุศลมูลหนึ่งดูก่อนพิสูทั้งหลายนรกกำเนิดสตัตว์เดรัจฉานปิดติวิสัยหรือทุกคติอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมไม่ปรากฏเพราะกรรมเกิดจากอโลภะอโทสะและอโมหะ หมายถึงว่าอโลภาอโลพอาโลพอาโทสะอโะอโมหะไม่ได้เป็นเหตุแห่งอบายทุกขติวินิบาตินรกเหมือนดูความพิสูจนทั้งหลายโดยที่แท้เทวดามนุษย์หรือสุขติอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่นย่อมปรากฏเพราะกรรมเกิดจากอาโลพะเพราะกรรมเกิดจากอาโทสะเพราะกรรมเกิดจากอะโมหะดูความพิสูจ์ทั้งหลายกุศรมูลสาประการนี้เพื่อความเกิดขึ้นแห่งอัตภาพในเทวดา และในมนุษย์เนี่ยนะอันนี้คือเป็นมูลของมนุษย์ น, นันเห็นมนุษย์เนี่ยนะไปในเมืองเป็นต้นเนี่ยนะแต่เห็นเห็นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยทีเ่เห็นเนี่ยให้รู้ทว่าเข้ามาจากกุศลมูลคืออะโลภะจากอโทสแล็กมาจากอโมหะอะโลภะอโทสะอะโมหะนั่นแหละเป็นเหตุให้เขาเกิดในสุขติได้อย่างนี้เนี่ยนะ ก็ถือว่าเป็นมูลนะพยายามคิดถึงมูลเลยนะเห็นอบายภูมิคือเดราชะานเป็นต้นก็พยายามระลึกถึงมูลว่าเออมาจากโลพาโทสะโมหะเห็นมนุษย์เทวดาเป็นต้นเนี่ยนะเขามาจากกุศลมูลคืออโลพาอะโทสะและอะโมหะและสมจริงตามพระพุ ท, พทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลาย ธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอกุศลเป็นส่วนอกุศลเป็นฝ่ายอกุศลธรรมะทั้งหมดนั้นมีอวิชาเป็นมูลมีอวิชาเป็นที่รวมมีอวิชาอันอรหัตตมรกําจัดได้ย่อมถึงความเพิกถอนทั้งหมดเนี่ยนะก็ปกติก็เป็นอย่างนั้นนะว่าอวิชาเนี่ยมันเป็นมูลของบาปทุกชนิดอกุศลทุกอย่างเกิดจากอวิชาทั้งนั้นล อวิชาเป็นที่รวมเป็นที่ประชุมเป็นประธานของบาปประธรรมทุกชนิดไม่ว่าบาปประธรรมเหล่านั้นจะเป็นโลเกิดร่วมกับโลภาษโทสะหรือพฤติกรรมฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมกรรมใดก็ทำกรรมนั้นทั้งหมดที่เป็นบาปมนียวิชาเป็นมูลแต่อวิชาเนี่ยจะถูกเพิกถอนได้ก็อาศัยอรหัตตมักเด่นนะอรหัตตมักเนี่ยเป็นปัวเพิกอวิชาเร็นมูลแห่ง สัตว์ทั้งหลายหรือมูลแห่งบาปประทรรมทุกชนิดพระองค์ก็เห็นการที่จะกำจัดอวิชาที่เป็นมูลเหล่านั้นพระองค์ก็เห็นนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าเป็นผู้เห็นมูลและสมจริงตามพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนที่สูทั้งหลาย ธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นกุศลเป็นส่วนกุศลเป็นฝ่ายกุศลธรรมะทั้งหมดนั้นน่ะมีความไม่ประมาทเป็นมูลมีความไม่ประมาทเป็นที่รวมความไม่ประมาทบัณดิตกล่าวว่าเป็นยอดแห่งธรรมะเหล่านั้นนี่นนะกุศลมูลนะกุศลธรรมทั้งหมดนี้เกิดจากความไม่ประมาทคำว่าความไม่ประมาทเนี่ยเป็นชื่อของการอยู่ไม่ปราศจากสติ <S <S ก็คือการมีสติ ถามว่าสตินั้นอะที่ทำให้ไม่ประมาทก็สติที่เกิดร่วมกับอะไรก็คือสติที่เกิดจากโยนิสโสมนัสิกานเกิดจากความเป็นผู้มีศรัทธาเกิดจากการฟังมาอย่างเพียงพอเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนมาจนเพียงพอเนี่ยนะคือฟังในไตรสิกขาอธิศีลที่จิตทธิปัญญาสิกขาเมื่อฟังอย่างเพียงพอเนี่ยจะทาให้เขานี่มีสติขึ้น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 ความไม่ประมาทนั้นถือเป็นกุศลที่เป็นอุปนิสัยแห่งชาญจิตทั้งหลายทั้งที่เป็นรูปฌานอรูปฌานมหากุศลเหล่านี้เนี่ยเป็นมูลหรือเป็นอุปนิสัยให้อรหัตตะมักเกิดได้อะเพราะฉะนั้นกุศลเนี่ยโดยที่สุดแม้อรหัตตะมักก็มีความไม่ประมาทเนี่ยเป็นที่รวมเป็นประมุกเป็นหัวหน้าเป็นประธานน่ยนะ